เวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่ออบรมจิตตรงนี้ให้เข้าถึงความสงบอย่าให้มันอุ่นวายเดือดร้อนความอุ่นวายเดือดร้อนเป็นทุกข์เราเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุข ไม่ใช่เกิดมาเพื่อแสวงหาความทุกข์ก็ให้เตือนตนอย่างนั้นความทุกข์คือความทนได้ยากทนลำบากทุกกายกายนี่ก็วิบัติแปรปูวนไปทนได้ยากลำบากทุกใจ ใจไม่สงบใจไม่รู้เท่าสังขารตามเป็นจริงกวนไว้ไปมาเป็นทุกข์ความทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้แหละแต่ทุกข์กายนี่เราบำบัดกันได้ไปชั่วคราวเท่านั้นเองจะบำบัดมันไปไม่ให้มันเป็นทุกข์เลยนะไม่ได้เลย ทีนี้ส่วนจิตนี้สามารถบรรบำบัดทุกหรือบรรเทาทุกได้จริงจริงขันเมื่อฝึก้นอบรมจิตนี้ให้ฉลาดเขียบแหลมแล้วมันก็รู้เท่าสังขารนนี้ตามเป็นจริง แล้วก็ไม่หลงรักไม่หลงชังสังขารทั้งพวงทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกทั้งส่วนหยาบหรือส่วนละเอียดส่วนฟา น, นี่มบรรจงอะไรก็ตามก็ไม่หลงรักไม่หลงชังเพราะเหตุว่ามันรู้ชัดแล้วว่าสังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมา ทั้งวลล้วนแต่เป็นของเกิดแล้วดับไปไม่ใช่มั่นคงถาวรอะไรก็เมื่อมันมีความเกิดความดับอยู่นี่จะไปหลงรักหลงชังมันทำไมผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ย่อมสอนตนอย่างนี้แหละผู้ขาดปัญญาแล้วมันก็สอนตนไม่ได้ ปล่อยให้จิตใจของตัวเองนี่แหละหลงรักหลงชังไปหลงเสียใจดีใจเศร้าโศกไปตามอาการของสังขารนั่นนั่นสังขารที่มีวิญญาณครองในแก่มนุษย์และสัตว์เลีฉานสังขารที่ไม่มีวิญญาณครอง ได้แก่เงินทองเข้าของต่างๆรถราผ้าหนุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยเช่นเรือนอาคารบ้านช่องหมดนี้นะมันก็ล้วนแต่มมีวิญญาณครองทั้งนั้นเนี่ยแต่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นสร้างขึ้นสิ่งใดที่มันเกิดมาโดยอำนาจแห่งอุตุธาต บนพื้นดินได้แก่ต้นไม้ใบหญ้า ต, ต่างๆพวก น, นี้ก็ไม่มีวิญญาณครองสังขารที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีล้วนแต่มีลักษณะเหมือนกันหมดคือมีเกิดขึ้นเบื้องต้นแลโลวนในทถ้ำกลางแลแตกกลับในที่สุดเหมือนกันหมดเลย ไม่ไม่มีแตกต่างกันลักษณะอาการเหล่านี้นะเวลามันยังไม่แตกไม่แตกไม่ดับนี่มันก็มีลักษณะอาการแตกต่างกันไปด้วยกฎแห่งกรรมหนึ่งและก็ด้วยกฎแห่งธรรมชาตินึงนกฎแห่งกรรมนี่มันก็เกิดจากการกระทาของแต่ละบุคคลนั่นแหละ จิตใจของคนเราเนี่ยความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่เหมือนกันทั้งหมดบางอย่างก็เหมือนกันบางอย่างไม่เหมือนกันพอมันคิดขึ้นมาอย่างไรแล้วมันเป็นตัวกรรมแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ใช้กายวาจาทำพูดไปมันก็ยังไม่เป็นกรรมยังไม่เป็นบุญกรรมบาปกรรมอะไร เมื่อมันคิดจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาดดื่มสุราเมลัยมดนี้นะลำพังแต่คิดเฉยๆแล้วไม่ได้ลงมือทามันก็ไม่สำเร็จเป็นบาปกรรมอันแท้จริงได้เป็นแด่เพียงมันก่อตัวขึ้นเฉยๆนั่นแหละมันก่อตัวของบาปกรรมนั้นขึ้นเฉยๆ ต่อเมื่อมันคิดขึ้นมาเต็มอัตราแล้วทนไม่ไหวแล้วใช้กายทำใชว้วาจาพูดไปเช่นนี้ก็จึงสำเร็จเป็นบาปเป็นอ ก, กุศล ต, ต่างๆได้ต้องให้เข้าใจจึงสงกับพุทธภาษิต ท, ที่ทรงตรัสไว้ว่าเจตนาหังพิกเเวปปพังวรามิ ดูก่อนพิสูงหลายเรากล่าวว่าเจตนาชั่วนั่นแหละเป็นตัวกรรมเป็นตัวบาปนะน่ะ เ, เจตนาหังพิกาเวปุ ญ, ญังวดามิดูก่อนพิสูงหลายเจตนาดีนั่นแหละเป็นตัวบุญพระองค์เจ้า หมายเอาเจตนาความคิดนึกในจิตใจนี่ตัวบุญตัวบาปน่ะไม่ใช่อยู่ภายนอกอะไรมันอยู่กับจิตความคิดความนึกนี่นะสร้างขึ้นปรุงขึ้นตามหลักของอุธภาสิตนี้นะเมื่อผู้มีความเพียรพยายามเพ่งพินิจดูก็ย่อมเห็นจริงตามที่พระองค์เจ้า ทรงตรัสไว้นั้นนะเพราะว่าความคิดทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากจิตแท้ๆความคิดโลภคิดโกรธคิดหลงอะไรพวกนี้มันก็เกิดจากจิตรวงนี้จากความรู้สึกนี่นะไม่ใช่เกิดจากที่อื่นความคิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จิตดวงนี้ เป็นผู้คิดไม่โรคไม่โกรธไม่หลงเรียอว่าความสุขคันมันอยู่ที่จิตตรงนี้โดยตรงเลยส่วนร่างกายมันไม่ว่าอะไรนะถ้าจิตไม่วงการไม่ใช้แล้วมันทำอะไรพูดอะไรก็ไม่ได้เลยร่างกายนี่นะมันเป็นยางไงเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยจึงเชื่อว่าเป็นการ ฝึกจิตนี้ให้มันรู้จักฉลาดคัดเลือกอารมณ์ที่ไม่ดีที่จิตหลงสร้างขึ้นมานี่นะให้มันละเสียให้ตัวเองเนี่นนะรู้อารมณ์ที่เป็นบาปอากุศลแล้วละอารมณ์เหล่านั้นเสียนั่นแหละเรี๋ยวตอนที่เราอบรมสมาธิภาวนาอยู่นี่นะ ก็เพื่อจะได้เลือกของอารมณ์ของจิตนี่มันมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งไม่ดีไม่ชั่ววันนี้แล้วเมื่อเราภาวนาลงไปในเรื่องไม่ดีมันก็อาจโผล่ขึ้นมาจิตมันยึดถือไว้เมื่อรู้ตัวแล้วก็กําหนดละมันเมื่อใจไม่ยึดถือเอามันแล้วมันก็ดับไปบาปอากุศลทั้งหลายนั่นแหะ เมื่อเมื่อบาปอากุศลต่างๆดับลงไปแล้วกุศลก็ย่อมเกิดขึ้นแทนเช่นความโลภดับไปแล้วความไม่โลภ ก, ก็เกิดขึ้นมาแทนนี่ความสันตุถือสันติีตามมีตามได้นะ่ะมันก็เกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้แหละ เมื่อความโกรธดับไปความไม่โกรธก็เกิดขึ้นมาแทนความไม่โกรธก็คือความรู้จักพูดจาปราศัยอ่อนโยนอ่อนน้อมต่อกันและกันตามคุณวุฒิไวยวุฒิชาติวุฒิคุณวุฒิหมายถึงบุคคลผู้ทรงคุณธรรมอันสูงส่งนี่แหละ เช่นอย่างพระภิกษุสามาเณรอย่างนี้นะถ้าท่านผู้ใดเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติตามธรรมวินยัยเจริญธรรมะอุปัสนาทำจิตใจสงบให้หนักแน่นอยู่ในกุศลธรรมท่านผู้นั้นก็ชื่อว่าทรงคุณบุติอยู่ในใจอย่างนี้จึงเป็นบุคคลที่เพศกรงกันข้ามนั้นจะพึ่งเคารพ กราบไหว้สกักการบูชาอย่างนี้แหละความที่จิตเป็นธรรมนะจิตเถือธรรมเป็นใหญ่มันก็ยอมรู้จักที่ต่าที่สูงแต่อย่างนั้นความไม่ความหลงดับไปความไม่หลงก็เกิดขึ้นมาแทนความรู้ความฉลาดนะันน่ะเกิดขึ้นมาแทน เอ๋ที่ความรู้ความฉลาดก็เกิดขึ้นมาแทนนี่ก็เนื่องมาแต่บุคคลรู้จักทำความดีเรื่อยไปแล้วก็รู้จักแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นมาปรับปรุงอาการกายวา่าใจใจของตนให้ดีขึ้นมาเรื่อยๆนี่ปัญญามันย่อมเกิดจากการกระทำอย่างนี้ เราอยู่เฉยๆนะปัญญาไม่เกิดแน่นอนนะเมื่อมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ท้อใจเสียไม่ใช้อุบายปัญญาแก้ไขจิตใจของตัวเองเช่นนี้นะกิเลสมันก็ยิ่งทับถมเข้าไปเรื่อยๆฮนะมันยังผู้ที่บวชเข้ามาแล้วนี่แหละ เมื่อเบื่อบวชเบื้องต้นก็ว่ามีศรัทธาแรงกล้าจึงได้มาบวชขั้นบวชเข้ามาแล้วทีแรกกิเลสมันก็ให้อภัยไปก่อนรู้สึกว่าอยู่สบายสบายขณะทั้งคราวกิเลสมันลุกขึ้นมาเล่นงานแล้รบนี้มันก็ให้คิดอยากสึกหาลาเพศปูนปั้นไป ผู้มีความอดความเพียรผู้มีปัญญามันก็จะไม่ยอมอดข้อให้กิเลสนั้นเลยก็จะต้องหาอุบาวิธีต่อต้านกับกิเลสนั้นหาอุบาวิธีสอนตนไม่ให้คิดสงสายไปตามอานาจของกิเลสนั้นๆเพราะขึ้นชื่อว่ากิเลสตัณหาแล้วมีแต่จูงใจให้ตกต่ําลงไปเรื่อยๆ มีแต่มันจูงไปให้เป็นาธาตุของมันอะคุณเห็นง่ายมั้ยเธอเว้ยเป็ น, ปนาธาตุของตันหาคนมีครอบครัวตัวเรือนต่างๆวั น, นี้ล้วนจะเป็นาธาตุแห่งตันหาทั้งนั้นแหละอมมีครอบครัวมาแล้วต้องทําการทํางา น, ท, นา ท, ทํานาทําสวนทําการค้าขายทําราชการงานเมือง ทำงานการก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึง่งตามแต่ตนที่ถนัด ก, การงานนั้นการทำการทำ ง, งานไม่ใช่เพินของสบายเมื่อไรมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากกลาำฝนทนแดดสารพัดเป็นพ่อข้าแม่ข้าก็เป็นทุกข์ เมื่อไม่มีคนเข้ามาซื้อของในร้านใจกระจดจ่ออยู่เมื่อไรเขาจะมาซื้อของของเราอืมถ้าหากว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมีคนไม่กี่คนมาซื้อของเขาได้กําไรนิดหน่อยไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวซ้ําเป็นไรอืมเอาแล้วเดือดร้อนกันแล้ววันนี้ คิดว่าสินค้าที่ขายนี่ต้องขาดทุนแน่มันก็เป็นอยู่นี่แหละเรื่องมนุษย์โลกอันนี้นะความเป็นอยู่ของมนุษย์โลกอันนี้มันมีแต่เรื่องวุ่นวายเรื่องขัดข้องมีแต่เรื่องผิดหวังสูงมากสมหวังกับสมหวังได้ชั่วคราวเท่านั้นเองคันแล้วก็ผิดหวังไปอีก ไม่มีอันใดที่จะสมหวังตลอดไปไม่มีเลยดังนั้นคนเรามันถึงเป็นทุกโธมนัดครับแค้นใจการอยู่ในโลกสนิวาสอันนี้นะแต่ถึงกระ น, นั้นตัณหามันย้อมใจคนให้ยินดีติดข้องอยู่ในโลกนี้สิ่งที่มันย้อมใจให้ติดใจข้องมันมีอยู่ ไม่ใช่ว่าจะมีแต่สิ่งที่ให้เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเท่านั้นตัญหามันย่อมใจเกิดความยินดีพอใจในรูปสวยๆงามๆเสียงไพเราะอ่อนหวานกลิ่นหอมหวนต่างๆหมนนี่นะรสอาหารอร่อยสัมผัสอ่อนนุ่มนิ่ม อันสิ่งมือนี่แหละมันเป็นเครื่องล่อใจของคนเราให้ติดอยู่ในทุกข์เมื่อได้สิ่งเหล่านี้เหล่านี้มาแล้วสำคัญว่ามันเป็นสุขสบายก็เลยเพลิดเพลิ น, นมัวเมาไปขันพอร่างกายนี้มันวิบัตลงไอ้ความยินดีในกามมาตัญหาทั้งหลายเหล่านั้นหายรปหน้าไปหมด มีแต่ความทุกข์ปรากฏอยู่ในกายในใจนี้นี่แหละไอ้ความสุขชั่วคราวนะ่ะมันก็ยังสมกับ ว, ว่าโชั่คราวจริงๆเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วความสุขก็หายหน้าไปซึ่งมันไม่เหมือนอย่างความรู้จริงเห็นจริงในธรรมของจริงเมื่อมันจริงใจใจจริง รู้จริงเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วปล่อยวางตามสภาพแล้วความจริงก็ปรากฏอยู่ในใจตลอดเวลาอย่างนั้นสังขารนี่จะวิบัติแปรปูวนไปยังไงจิตก็ไม่แปรปูวนไปตามสังขารร่างกายทีเป็นทุกข์ทนยากลาบากอย่างไรจิตก็ไม่ได้ทนได้ยากลาบากเหมือนกับร่างกาย จิตนี้ก็อดทนได้อดกั้นได้สงบอยู่ได้รู้เท่าทันอยู่เสม อ, อมนี่แหละถรงว่ามีแต่จิตดวงเดียวนี่ฝึกได้นะนอกนั้นลราฝึกไม่ได้เลยร่างกายนี่ไม่ได้สักหน่อยเดียวฝึกให้มันเที่ยงมันยั่งยืนไม่ให้มันวันไหวต่อภัยธรรมชาติต่างๆ ต่อใครคือชรลาพญาธิมรณะหมนีนะมันห้ามไม่ได้ไม่ฟังเลยให้พากันคิดดูให้ดีแต่เรามนุษย์เรามมหวงร่างกายอันนี้หนักหนานะห่วงไม่เข้าท่าห่วงมันแล้วใช้มันไปทำบาป ใช่ไปข่าสัตว์ไปลักทรัพย์ปะพิผิดในกามใช่มันกล่าวมู่สาวาตหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนใช่มันดื่มสุราเมรยัยกันชายาฝิ่นเฮโรอี น, นของเสพติดให้โทษต่างๆมูนี้มันมันรว้แต่มันไม่รู้แจ้งทางนั้นเลย เหตุที่จิตจะใช้กายวาจาทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษนี่นะเพราะจิตไม่รู้อ่ะนะให้เข้าใจถ้าจิตมันรู้แล้วมันไม่ทําอ่ะไม่ใช้กายทําไม่ใช่วาจาพูดในสิ่งที่เป็นบาปนี่มันจะไม่ใช่ทำเล็ดขาดเลยแม้ว่ามันจะทุกข์ยากลำบากในการเงินการทองเข้าของ ไม่สมบูรณ์เหมือนอย่างคนบางคนที่เขามีบุญมากนะมันก็ไม่เดือดร้อนขอให้แต่ได้จิตนี้ได้ได้เว้นจากบาปจากโทษพอแล้วเพราะมันมองเห็นสังขารร่างกายนี้อยู่เสมอเสมอว่าถึงมันจะบำรุงมันเท่าไหร่มันก็ไม่ยังยืนอยู่ได้มันจะไม่แตกมีดับอยู่เราก็รู้อยู่นี้ ไม่ใช่มันจะยั่งยืนอยู่ตลอดการไปมันมีแตกมีดับนั่งนั้นน่ะจะเลี้ยงมันไปทําไมในเมื่อมันมีบาปอ่ะไปขวนขวายหาปัจจัยอันประกอบไปด้วยบาปด้วยโทษแล้วเอามาเลี้ยงร่างกายอันนี้แล้วแล้วร่างกายอันนี้มันไม่ได้สวยผลแห่งบาปกรรมเหล่านั้นน่ะ ไปตกนรกใครไปน่ะก็จิดตดวงนี้แหละไปไม่ใช่กายมันไปกายมันจะไปที่ไหนทุกคนก็เห็นอยู่นี่เอาไฟเผาเราเกือแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นนะใจนี่สิมันไปสวยทุกในนรกมุนกรรมนั่นบาปกรรมนั่นไปแต่งร่างของสารนรกให้ใหม่ให้ดวงจิตได้อาศัย แล้วไม่ก็มีไม่มีอิสระในตัวเลยอยู่ในอยู่ในการควบคุมของนานิยาบาล น, นะจะปีนป่ายขึ้นมาจากนรกจะหนีไปให้พ้นนรกนี้ไม่ได้นานิยาบาลตอแสตยเอาค้อนตีให้ตกลงไป ในนรกนั้นอยู่อย่างนั้นแหละหนีไม่ได้อันนี้ว่าตามตำรานะมีอยู่ในไตรโลกกวิฐานนะมันเป็นอย่างนี้พระพุเทธเจ้านั้นได้ส่องงานไปเห็นแล้วพระองค์ไม่ได้เดาเอาเลยพระองค์เห็นแจ้งด้วยพย า, ยานอันยิ่ง เหตุดันจึงได้นำมาแสดงเนะนําสั่งสอนพุทธวริจัตให้กลัวแต่ภัยในนรกนั้นให้มากที่สุดเลยไอ้ที่พระ อ, องค์สอนให้กลัวภัยในทุกทุกทั้งหลายเนี่ยส่วนมากกระทรงพระประสงค์ให้คนเราเนี่กลัวแต่ภัยในนรกนี่แหละมันเป็นทุกข์หลาย แต่ถ้าผูใ้ใดรักษาตัวได้ไม่ให้ตกนรกหมกไม่ในอบายภูมิแล้วผู้นั้นก็ไม่เป็นทุกข์มากนะนทุกข์พะเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายอันนี้มันก็ไม่ไม่รุนแรงเท่าไหร่ไม่เหมือนอย่างทุกข์ในนรกอบายภูมิต้องพิจารณาให้มันเห็นยังไง อันผูใ้ใดละเว้นจากกรรมอันชั่วดังกล่าวมานั้นได้แล้วมันก็ไม่บายหน้าไปสู่นรกอบายภูมิเลยวันี้เมื่อตายจากมนุษย์มันก็ไปสวรรค์อริสงรักษาศีลนศนะีเลนะสุขติยันติผู้มีศีลบริสุทธ์และย่อมไปสู่สุกติโลกสวรรค์สีเลนะโพกสัมปทา ผู้มีศีลดีแล้วย่อมสมบูรณ์ด้วยโพคสมบัติสีเลนะเนปูติยันติผู้ทำศีลให้บริสุทธิ์ด้วยดีจนถึงปรมาทิติหรือว่าอาัทิศิลแล้วย่อมบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงอ น, นิสงส์ศีลไวย้อย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นเมื่อผูใ้ใด ละเว้นได้แล้วก็อย่างที่เคยพูดบ่อยๆพูดได้ละบาปได้แล้วตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดสวรรค์หมดอายุจากสวรรค์ก็ลงมาเกิดในมนุษย์มนุษย์โลกนี้อีกนี่สำหรับบุคคลผู้ยังไม่ถึงพระนิพพานนะไปอยู่สวรรค์ก็แสนสุขแสนสำราญไม่เดือร้อนอะไรบุญกุศลที่ตนทาในโลกนี้มันไปอำนวยผลให้ ไม่ได้ทำนาค้าขายไม่ได้แย่งซื้อแย่งขายอะไรกันเหมือนอย่างมนุษย์โลกอันเนี้ยอันเนี้ยเหตุนั้นถึงมีความสุขสบายกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่าทีนี้เมื่อหมดอายุบนสวรรค์ลงมาเกิดในโลกนี้บุญก็ทามาตกแต่งให้อีก ให้เกิดในตระกูลสูงให้มีเงินมีทองเข้าของโดยไม่ต้องแสวงหาให้ลำบากพ่อแม่ผู้ย้ายสร้างทำไว้ให้คนมีบุญจะเป็นอย่างนีน้เกิดมาก็มาสวยผลเลยแต่ว่าบางคนก็ไม่แน่ต้องได้สร้างเอาต้องได้ทำเอาให้เกิดมาในโลกนี้นะ่ะ แม้จะมีบุญยังไงก็ไม่ฟังต้องไปทำงานเมื่อทำงานอะไรไปแล้วในบุญนั่นสนับสนุนให้จเจริญนุ่งเรืองไม่พอได้ก็ได้ไม่ควรมันสมควรจะเสียมันก็ไม่เสียนั่นบุญบุญช่วยรักษามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะบางคนเข า, าพูดถึงสวรรค์เนโอ้ย มันเรื่องเหลียวไหลเอาปัจจุบันนี้ดีกว่าเมื่อละกิเลสละบาปในปัจจุบันนี้แล้วมันก็มีความสุขเท่านั้นเองไม่ต้องกล่าวถึงสวรรค์ก็ได้อันนี้พูดตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะไม่ใช่ปูงแต่งเอาไม่ใช่เดาเอา ก็อย่างที่อา น, นิสงส์ศีลที่ได้ยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างนั่นแหละเนี่ยเราจะมาปฏิเสธคําสอนของพระทธเจ้าได้ยังไงแล้วมันก็เป็นความจริงสิคนมีศีลคนไม่ทําบาปแต่ว่าบุญบา ร, รมียังไม่เต็มจะไปนิพพานก็ยังไม่ได้อา น, นิสงส์ศีลนี่มันก็นําขึ้นสู่สวรรค์กะก็สวยสุขสําราญนั่นแหละบุคคลผู้ อดทนต่อการทำบาปได้ในโลกนี้นะแม้จะยากแย่ลาบากอย่างไรก็ไม่ไปทำบาปมันอย่างนี้ไม่ไปทำบาปห้ายอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าเป็นภิกษุสามเณรก็ต้องเว้นจากโทษต่างๆตามพุทธบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้ พร้อมทั้งโทษทาประการนั่นนะเราต้องสำรวมระวังไม่ล่วงเกินเล็ดขาดไปเลยแล้วก็ยังสำรวมระวังในพุทธข้อห้า ม, มอื่นอื่นอีกเป็นขั้นตอนขึ้นไปสำหรับสามเณร น, นันก็มีข้อห้ามใน ม, มากเหมือนอย่างพระภิกษุพระภิกษุนั่นมีข้อห้ามอยู่มากเพราะว่าเป็นผู้ ที่พุทธศาสนิกชนหรือทายกทายิกาทั้งหลายได้กราบไหว้สักการ บ, บูชาถ้าไปทำตนให้เหลวไหลแล้วเนี่ยใครเขาจะกราบจะไหว้สักการ บ, บูชาถ้าถ้าเขานับถือยกมือไหว้ก็เขาถือไหว้ผ้าตาผ้ากาสาวพัด อันเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าซึ่งประทานให้สาวกทั้งหลายได้รุ่งได้ฮมนี่เขาก็เขาก็ไหว้คุณของพระพุทธเจ้าหรือไหว้ผ้ากาสาวัสอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจจะต้องอดต้องทนเอาแต่แท้ที่จริงแล้ว จิตนั้นนะ่ะมันไม่เป็นโรคหรอกร่างกายเนะี่ยมันเป็นโรคเพราะว่ากายนี่มันประกอบไปด้วยธาตุสี่นน้ำไฟลมแล้วก็มีธาตุสี่นะีเนี่ยบำรุงนะอาหารก็ปรุงจากธาตุสีนะนะ่นั้นแหละมาบำรุงกันไว้ถึงบำรุงกันอย่างไรมันของมันไม่เที่ยงมันก็แปรปรนไปอยู่นั่นแหละ ซึ่งไม่เหมือนอย่างจิตนะจิตนี่เมื่อเราปฏิบัติทำเข้าไปเท่าไรเราทำใจให้สงบไปเท่าไรใช้ปัญญาพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลเห็นโทษแห่งความยึดความถือแล้วหัดปล่อยหัดวางไม่ยึดถืออะไรต่ออะไรไว้ในใจ เช่นนี้นะใจก็ยิ่งหนักแน่นเข้าไปใจก็ยิ่งมั่นคงในกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งเข้าใจดังแสดงมานี่ว่าจิตใจนี่สามารถฝึกฝนให้มันตั้งมั่นอยู่ได้ ไม่วันไหวไปตามสังขารทั้งหลายหรือตามกิเลสแต่ส่วนร่างกายนั้นนะถึงแม้เราจะบำรุงมันในแข็งแรงเท่าไหร่บำรุงด้วยอาหารการกินดีสักเท่าไหร่มันก็ไม่ยั่งยืนนะถึงเวลามันแปรปรวนมันก็แปรปรวนไปเพราะอะไรยังเป็นอย่างนั้นก็เพราะรูปร่างกายนี้มัน อาศัยบุญกรรมบาปกรรมที่ได้ทํามาแต่ก่อนนั่นนะมันอุปถัมภ์บำรุงไว้ทีนี้บุญกรรมบาปกรรมที่ทํามานั้นมันมีขอบเขตจํากัดก็แสดงว่าบุญกรรมบาปกรรมนั้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะนนเมื่อมันให้ผลไปให้ผลไปมันก็ค่อยหมดไปหมดไป เพราะมันมีขอบเขต จ, จำกัดเพราะฉะนั้นเน่ยตอให้พึ่งพากันเข้าใจว่าชีวิตนี่มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนไม่ใช่ว่าพอปฏิบัติไปรวดเดียวถึงนิพพานทันทีเลยไม่ใช่อย่างนั้นนี้การไปพระนิพพานน่ะ ถ้าสร้างบุญกุศลไม่เต็มนะไม่มีทางจะไปได้เพราะว่าการบรรลุถึงบรนนิพพานนี่มันเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตที่ได้ยุติการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี่ดังนั้นนะผู้ที่จะบรรลุถึงซึงบรนิพพาน จึงมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาสร้างบุญกุศลอยู่ในโลกนี้ละสวรรค์ขึ้นลงขึ้นลงอยู่เนี่ยอา้าบางชาติหรือบางคนผลลงไปทำชั่วบางชาตินะ่ะตายแล้วผลเป็นไมในนรกนั่นนานนั่นน่กัวมันจะไม่ถึงพระนิพพานง่ายๆเนะี่ยเหมือนอย่างพระเทวทัตเนี่ผูกอาฆาตจองเวีนพระพุทธเจ้านะ จนพระพุทธเจ้าสร้างบารมีสี่อสงไขยแฟนปลายแสนมหากรับพระ อ, องค์ได้ตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วดับขันเข้าสู่บริพานไปแล้วพระเทวทัตผู้มีใจดำอมหิตก็ยังไปไม่อยู่ในอเวจีมหานรก น, นุ่นนั่นนในบาปกรรม มั น, นเงี่ยวชีวิตจิตใจอันนี้ให้จมอยู่ในทุกข์อันผู้มาเกิดในโลกนี้แม้จะมีอวัยวะร่างกายไม่บุคคองดังเคยกล่าวมาแล้วนั้นแต่มันก็ยังความทุกข์มันก็ยังเบาวกว่าในนรกเพราะบาปกรรมมันเบาแล้วนั่นะมันถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ อันซึ่งมีอวัยวะร่างกายบกรุฟ้องนั่นแหละแต่ความทุกข์ของมนุษย์ที่เสวยบาปกรรมนี่มันก็พอแรงอยู่แล้วนะอย่างที่เราดูเราเห็นกันอยู่นะทำงานทำการอะไรก็ไม่ได้ตาบอดโอ้ยเปนั่งอยู่ในตลาดมือนคนเดินผ่านไปผ่านมาเอาขันยกขึ้นลองขอยอมือ ขอทานคนไหนเขาใจบุญเขาก็ยอนอัดยอนสตางลงใส่ขันให้แต่ความทุกข์อันนี้นะมันยังสู้ทุกข์ในนลรลกไม่ได้เลยหรือว่าสู้ทุกข์ที่เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เพราะเป็นมนุษย์ ขึ้นมาแล้วถึงแม้ว่าจะมีอวัยวะร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กฎหมายก็ยังคุ้มครองใครจะไปเบียดเบียนไม่ได้นอกจากว่ามันจะล่วงกฎหมายเท่านั้นแนหะไอ้คนที่ล่วงกฎหมายนั้นไม่ว่าแต่คนเสียองคชาเลยคนดีๆมันก็ประหัสประหารกันมันโกรธกันมาแล้ว แต่เป็นสัตว์สิ่งเดยียวจะฉานสิเป็นไก่อย่างนี้เป็นเป็ดอย่างนี้นะเป็นหานเขาเอามาเลี้ยงไว้ใหญ่พอสมควรแล้วพเอาไปลวกน้าร้อนให้ขนมันล่วงออกไปแล้วก็เอาเนื้อมันมาต้มมาแกงกินกันอ ม, มันไม่ทันไม่ทันหมดอายุแล้วมันตายแล้วสัตว์เ่านั้นนะอย่างนี้แหละความทุกข์ ในอบายภูมินะแต่ถึงกันนั้นความทุกข์ของสัตว์จริงในฉานมันก็ยังสู้เปรตไม่ได้เปรตมันก็ยังสู้สัตว์นรกไม่ได้อืมสัตว์นรกมัยังทุกเป็นขั้นเป็นตอนนระกขุมน้อยวัดไม่ไ ม, ไม่ไม่ทุกหลายคนนี้ถ้าเป็นลงขุมใหญ่แล้วก็เอาแล้วร้อนจัดมากอืม เอา้าขุมใหญ่มีอยู่ตั้งแปดขุมอันนั้นพยังสู้อาเวจีมหานรกไม่ได้อาเวจีมหานรกแปลว่านรกที่ร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีเวลาสั่งนะไม่มีเวลาเย็นนะผูได้ตกอาเวจีมหานรกแนละ้วถูกน้ำร้อนเราะลกอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเลยร้อนอยู่อย่างนั้น ไอ้อย่างนี้ลราใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ช่างพราะพรุทธเจ้าลราเป็นผู้ทรงแสดงไว้เรื่องนรกนี่ก็ดีผู้ใดเชื่อผู้นั้นก็กลัวกลัวต่อนรกแล้วก็เว้นจากบาปจากโทษต่างๆเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้มันก็อยู่เย็นเป็นถูกแล้วในปัจจุบันนี้ก็ดีนั่นไงไอ้ผู้ที่ไม่เชื่อนรก สวรรค์อย่างว่าเนี่ยคนเหล่านี้แหละที่มันเบื่อเบียดเบียนกั น, นไม่ให้พ่ายถกกันและกันเลยมันไม่กลัวจะไปตกนรกหมกไม่อะไรมไม่กลัวนมันไม่เชื่อนี่มันไม่เชื่อว่าจะมีนรกอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เอ้าไม่เชื่อก็แล้วฝ่ายผู้ใดเชื่อก็เว้นอืันนี่ย อันนี้แหละเหตุที่จะแสดงเรื่องบาปเรื่องกรรมนี่ให้มากนี่ก็เพราะเหตุว่าคนธรรมดาสามัญ น, นี่มันยังไม่รู้แจ้งในเรื่องบาปเรื่องกรรมเลยมันจึงเว้นไม่ได้บางคนมีศรัทธาจริงอยู่นะเรื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์กราบไหวสักการะบูชา ตัวอย่างนั้นแหละแล้วก็ยังไปทําบาปอยู่นี่นะนี่แหละเหตุที่จะย้ําแล้วย้ําอีกอยู่เนี่ยสมกว่ามีศรัทธาในพุทธศาสนานั่นนะมันสมควรจะเว้นจากบาปกรรมได้แล้วมันก็เว้นไม่ได้อืมเว้นก็เว้นได้เป็นบางสิ่งเบางอย่างเท่านั้นแหละเออคนที่ดื่มเหล้าไม่ได้เพราะดื่มไปแล้วมันโรคภัยกาเริบ นั่นงดได้แอนดืน่มเหล้านะเพราะว่าดื่มไปแล้วมันไม่สบายมันแสดงกับโรคแต่ถ้าใครดื่มเข้าไปแล้วมันไม่แสลงกับโรคมันเมามันสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วเอาแล้วเมื่อมีทางแล้วมันจะหยุดยั่งได้เวลาทำบุญทำทานเข้าวัดพัดสมทานศีล จุรามระยะเอาสมทานมันไปมีศีลอยู่แต่ในวัดนั่นแหละพอออกจากวัดแล้วกลับไปว่ามันเลเลยแหละบางคนนะแต่บางคนก็รักษาได้นนลนวเราเป็นอย่างนี้เราจะให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรแล้วนั่นเนี่ยไปเห็นแต่แก่ความสนุกสนานชั่วคราวไม่นึกถึงความทุกข์ที่จะมาถึงตน ถ้าสิ่งใดพระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้แล้วนะอันซึ่งจะไม่เป็นบาปไม่มีเพราะพระองค์เห็นแจ้งแล้วว่าถ้าผูา้ใดขืนทําอย่างนั้นลงไปล่ะมันเป็นบาปเป็นเวรตามสนองพระองค์เจ้าเอ็นดูสัตว์โลกทั้งหลายไม่อยากให้สัตว์โลกทั้งหลายเป็นทุกข์เดือดร้อนเหนตุนั้นแะถึงได้บัญญัติห้ามสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นโทษไว้ ไอ้ชาวพุทธเรามันควรจะพิจารณาคำสอนของพระเจ้าจ้าให้มันละเอียดละอลองไปจริงๆนะไอ้ผู้ได้เว้นจากโทษเหล่านี้ได้มันก็ใกล้ต่อโลกุตระธรรมเบื้องต้นนะเพราะการเว้นจากกรรมมันชั่วทั้งห้าอย่างนี้ได้เด็ดขาดลงไปด้วยอำนาจแห่งอริยมรรค เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันนะไม่ใช่ตำตำนะแต่ถ้ายัางเว้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคมันก็ยังไม่แน่นอนนะบางทีมันกลับไปทำอีกก็ได้นี่ทำบาปนั่นนะแต่ถ้าบรรลุลุกตะระทำชั้นโสดาปฏิผลแล้วก็เป็นนั้นว่าเว้นจากบาปห้าอย่างนั้นได้เด็ดขาดไปเลย นี่มันเป็นอย่างนี้นะไอการเว้นจากบาปกรรมนี่มันไม่ใช่เป็นของตำต่ำนะนำให้ชีวิตของเราสูงขึ้นไปโดนลำดับห่างไกลาจากความทุกข์ไปเรื่อยๆนี่สมควรที่พุทธศาสนิกชนจะพึงสนใจคิดพิจารณาเพราะว่าตนของตนเป็นที่รักของตนอย่างยิ่ง ความรักอื่นเสมอด้วยรักตนไม่มีพระศาสดาก็ทงตรัสไว้อย่างนี้แม้ทุกคนมาพิจารณาดูตัวเองก็เป็นอย่างนั้นจริงก่อนอื่นมันก็ต้องรักตัวเองนี่แหละพอรักตัวเองนั่นแหละมันจึงได้ทะนุถนอมตนจะเรินไว้ใหญ่โตมาจนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้อย่างนี้ถ้าไม่รักตนแล้วก็มันก็ชัง ตัวเองเมื่อชังตัวเองแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองตายไปเสียท่านะั้นไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องทําอะไรก็เกลียดชังมันมนไม่อยากอยู่ในโลกอันนี้ก็ฆ่าตัวตายไปอย่างที่คนฆ่าตัวตายมาดา่ดตื่นอยู่นั่นเนะี่ะมันเกลียดชังตัวเองไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนรเสริญเลย ทางพนทุกข์มันอยู่ทางใจสองาหากเมื่อมาปรับปรุงใจให้ดีให้มีปัญญารู้เท่าขันห้าตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราเมื่อ ร, ร, รู้แจ้งอย่างนี้นะแม้ว่าขันห้ามันจะวิบัติแปลปนเป็นทุกข์อย่างไรจิตมันก็ไม่เป็นทุกข์ไปตามขันห้านั่นนี่ทางพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้เรื่องมันนะ ก็เมื่อจิตไม่เป็นทุกข์ในปัจจุบันนี้แล้วละโลกไปนีล่ละโลกนี่ไปแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เลยก็จิตตรงเดียวนี้เมื่อจิตตรงนี้รู้เท่าทุกอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วไม่ถือมั่นในทุกข์นั้นแล้วเช่นนี้ละโลกนี้ไปสู่โลกอื่นมันก็ไม่เป็นทุกข์เหมนี้ถ้ายังไม่ถึงมริพานก็ดีมันก็รู้เท่าทุกอยู่อย่างนั้นต่เกิดได้พไดชาติใด เพราะมันเคยพิจารณามันเคยอดเคยทนต่อทุกขเวทนาต่างๆมันเคยอดเคยทนต่อคำด่าว่าเสียสีจากคนอื่นอย่างนี้เนะี่ยแม่ไปสู่โลกหน้าจะเกิดที่ไหนถ้ามีใครมากระทบกระทั่งชวนทะเลาะวิวาดไม่เอาด้วยคนบุนั้นก็ว่ามันได้ฝึกตนไปตั้งแต่ชาติที่แล้ว เึกอย่างไงเป็นอย่างนั้นนี่จิตใจนี่นะให้เข้าใจน้มไปอย่างไงมันก็เป็นไปอย่างนั้นถ้าน้อมไปเป็นนักเลงเจ้าชู้อย่างนี้นะมันก็ไปมัวมเมาในความรักความใคร่นั่นเลยอยู่อย่างนั้นนะมันทุกข์ยากลาบากในก้าสู้ทนกับความรักความใคร่อยู่อย่างนั้นเนี่ย บางคนก็เป็นคนโทโสโมโหเอาแต่โกรธเขาว่าใครทำอะไรไม่ถูก อ, อกถูกใจก็โกรธไม่คิดว่าจะล ะ, ละความโกรธอันนั้นเลยไม่เห็นโทษของมันเลยความรักก็เหมือนกันได้รับทุกทนทรมานเพราะความรักอยู่อย่างไรก็ทนทุกทรมานอยู่นั้นแหละ ไม่เห็นโทษเห็นความรักนั่นเลยไม่เห็นโทษเห็นความโกรธก็เพราะฉะนั้นมันถึงได้เอาติดตัวมานั่นแนหะคนเรามาเกิดในโลกนี้นะเพราะในชาติก่อนนะมันก็ไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้มันก็ไม่เพียนละเพียนถอนมันเพราะฉะนั้นมันถึงติดตัวมาเมื่อติดตัวขึ้นมาแล้วจเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาแล้วกิเลสมันก็จเจริญขึ้นมาด้วย อย่างนี้แหละทีนี้บางคนได้พบอาตมาคมกับนักปราดมานี่นักปราดท่านถึงชี้ให้เห็นว่ากิเลสเหล่านี้นะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผู้มีปัญญาหลายได้ฟังแล้วก็พยายามบรรเทากิเลสนั่นแหละวันนี้พยายามฝึกตนฝึกตนตามคำสอนพระพุทธเจ้าฝึ ก, กจิตใจให้ส ง, งบให้ระ ง, งับ จเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมปัญญาเกิดขึ้นมันก็ยองสามารถที่จะละบาปละกรความชั่วต่างๆนั้นให้ขาดเด็ดออกไปจากกิจใจได้นี่ทางที่จะระงับกิเลสตัณหาได้มันอยู่ที่ใจนี้ต้องมาฝึกใจนี้ เพราะว่าใจนี่เป็นผู้ยึดเอากิเลสตัณหาต่างๆไว้ไม่ใช่อย่างอื่นมายึดถือเอาไว้นั่นนักปราบัตทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละท่านจึงฝึกใจแม้อยู่ในคารวาตก็ฝึกอยู่ในคารวัสนั่นแหละใครอยู่ในเพศใดก็ฝึกตนอยู่ในเพศนั้น บางคนก็บอกโอ้ยเป็นคาระอที่มันแสนยากเหลือเกินอันจะมาฝึกขนอบรมจิตนี่นะพ อ, อมันมีเรื่องอะไรต่ออะไรกระทบกระทั่งเขามาบ่อยๆไม่มีแก่ใจที่จะอดจะทนะผู้ใดออกความเห็นอย่างนั้นนะแสดงว่าผู้นั้นนะปล่อยตนให้เป็นไปตามยถากรรมเลย หากผู้ใดได้ฟังคำสอนของผู้เท่เจ้าแล้วรู้แนวทางปฏิบัติแนละ้วเขาจะไม่เห็นอย่างนั้นเขาจะไม่ทำอย่างนั้นก็เมื่อกิเลสนะมันเป็นของไม่ดีเมื่อรู้แล้วอย่างนี้หากว่าตนเผลอสร้างกิเลสขึ้นมาตนก็เป็นภูร่ามันแหละโอ้อันนี้เราเผลอสร้างกิเลสกองนี้ขึ้นมาหนออย่างนี้นะ เป็นหน้าที่ของเราจะต้องละมันเพราะเราเป็นผู้สร้างเราจะให้คนอื่นมาชําระให้ไม่ได้เลยเช่นจิตมันเผลอมันสร้างความโกรธขึ้นมาอย่างนี้นะพอรู้ตัวแล้วเราเอยจิตนี่มันยังโกรธอยู่นี้เนี่ยไม่ได้จะไปถือมั่นไว้ไม่ไหวมันจะเป็นทุกข์จริงๆมันจะทําบาปเพราะความโกรธนี้แหละเช่นนี้เราก็เพียรละมันเลย มีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังสำรวมจิตอยู่เสมอเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆกระทบกระทั่งมาก็รู้เท่าทันน่ไม่ยึดถือเอามันมาถ้าขืนยึดถือเอาไว้มันก็สร้างความโกรธให้เกิดขึ้นมาอีกก็เป็นเวณผูกพันกันไปไม่รู้จบรู้สิ้นเลยมันเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละเพราะฉะนั้น การทำความเพียรทางจิตใจนี่นะมันจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะนั่นนี่ที่จะต้องทำความเพียรทางจิตใจไม่มีใครชำระกิเลสตัณหาและกองทุกข์ให้ใครได้เลยทุกคนต้องชำระตัวเองเอาเองนั่นนี่แต่ถ้าหากว่าจับหลักได้แล้วมันก็ไม่ลำบากเท่าไหร่นี้ ก็อย่างที่พูดมาแล้วนี่แหละคือการทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจกต่เมื่อเป็นชนีเราก็มารักษาเอาใจตรงนี้สิน่ทําทั้งหลายเนะ่ะเคลื่อนไหวเอา ท, าทําที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นอภยากิดบ้างทําที่เป็นอกุศลสิสําคัญ น, ะนั่น ควรละมันไม่ควรเอามาพลนกับขุนทรธรรมไว้เมื่อปัญญามันสอดส่องมองเห็นแล้วมันก็เพียรละส่วนที้เป็นบาปออกจากกายวาจาใจนี่แหละเนี่ยว่าความรู้นี่นะความรู้ความเห็นแจ่มแจ้งหรือว่าดวงปัญญาเนี่ยสำคัญมากนะถ้าใครไม่อบรมปัญญานี่ให้เกิดขึ้นแล้ว ไม่ได้เห็นแจ้งประจักในคําสอนของอุตตเจ้าด้วยตัวเองได้เลยเมื่อไม่เห็นแจ้งอันนี้มันก็ไม่ค่อยเชื่อไม่ยอมทําตามนั่นแหละแต่เมื่อผูดด้ใดเห็นแจ้งมีเหตุมีผลมาอ้างอิงเพียงพอแล้วผู้นั้นก็ทําตามได้อย่างความอย่างเต็มใจเลยละบาปตรงนี้ก็ละเพียงละบาป อย่างเต็มใจไม่มีใครบังคับให้ละมันเลยเพราะตนเห็นโทษมาแล้วตนถึงได้เพียรละมันนี่แหละพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านแต่ก่อนท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญท่านเมื่อมารู้แจ้งในคำสอนของพระเจ้าแล้วท่านละกิเลสไปขั้นใดแล้วมันก็ก้าวไปสู่โลกุตระธรธรม นั่นไงก็พ้นจากโคดแทงกุตุชนเนี่ยไปเป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยพ้นจากนรกอบายภูมิทั้งสี่แล้วบวะนี่เพราะว่าท่านไม่ทําบาปแล้วนี้บาปห้าอย่างนี้แล้พาไปสู่นรกอบายภูมิมาก็เมื่อไม่ท่านไม่ทําแล้วอย่างนี้มันจะไปยังไงฮะนี่มันก็ไม่ไปแล้วไปสู่นรกกนะัน <c oughs> เพราะฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายควรพากันพิจารณาให้มันเห็นไม่ควรที่จะละเลยเรื่องบาปเรื่องบุญนี่นะบางคนก็ว่าโอ้ฉันปฏิบัติธรรมชั้นสูงแล้วไม่เกี่ยวเรื่องบาปเรื่องบุญหรอกไอ้อย่างนั้นน่ะเดียวมันเข้าใจผิดไปไม่เกี่ยวยังไงอะ มันเกี่ยวสิบุญถ้าบุคคลไม่ทําบุญให้สูงขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยจิตใจมันก็ก้าวสูงขึ้นไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าบาปเนี่ถ้าบุคคลไม่เพียรละบาปให้มันขาดไปหมดไปจากจิตใจบาปมันก็ตามรบ ก, กวนจิตใจให้เศ้าหมองคุณมัวอยู่นั่น มันได้ช่องเวลาใดมันก็ทำให้จิตเจ้ามองคุณมัวไปอย่างนี้นะนี่แหละแล้วตนไม่มีกําลังใจเข้มแข็งพอกล拉บาปนั้นไม่ได้มันก็เลยทำทั้งบุญทั้งบาปไปเองคนเราเนะมันเป็นอย่างนั้นมันก็เกิดจากดวงจิตตรงนี้แหละมันอ่อนแอกำจัดบาปธรรมกรรมชั่วนั้นไม่ได้ ถ้าผูใ้ใดใจเข้มแข็งมันก็กำจัดได้สิเชื่อมั่นในใจจริงๆเชื่อว่าเมื่อกำจัดกิเลสเหล่านี้ออกไปได้บาปกรรมทั้งหลายมันก็จะหมดไปตามกันเราเชื่อมั่นในใจของเราอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจทำความเพียรลงไปไม่ท้อไม่ถอย ไอ้กิเลสป่าประธรรมแล้วแล้วมันก็ค่อยเบาบางไปจะให้มันหมดไปทีเดียวอย่างนี้เนะี่ยมันหมดไม่ได้เพราะกลังบุญบา ร, รมีของตนมันยังน้อยอยู่ออต้องสร้างบุญบา ร, รมีไปพร้อมกันแหละกับลากกิเลสนะการลากกิเลสการกับการทําบุญทํากุศลทาความดีนะ่ะไปพร้อมกันนะ ให้เข้าใจแต่ความดีที่ตนํามันยังไม่แก่กล้าพอที่จะถอนรากของกิเลสออกได้ไหมายความว่าอย่างนั้นเขาพบเมื่อคอเริ่มทําบุญกุศลทําความดีเข้าไปไอความไม่ดีความชั่วร้ายาต่างมันก็แทรกแทงเข้ามานี่เพราะว่าตนยังละมันไม่หมดเรื่องมันนะถ้าบุคคลใดไม่รู้เท่าเรื่องบาปเรื่องความชั่วเหล่านี้ล่ะ ปล่อยใจให้วันไว้ไปตามมันจิตก็ตกไปทางอากุศลหนมันะก็เป็นอยู่อย่างนี้นะคนเกียรตานภาวนาไม่รู้จักเลือกเป้นอารมณ์ของจิตอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ยึดเอามันไว้อย่างงี้นะอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ยึดเอาไว้ผลเปกันอยู่ในนั้นนะอืม ข่าวใดจิตคิดเป็นกุศลขึ้นมาก็ทําบุญกุศลไปข้าวใดจิตคิดเป็นอกุศลเป็นบาปขึ้นมาก็ทําบาปไปก็อย่างนี้สิใจของปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เรื่องมานนะ่ะแบบนี้ผู้ประสงค์จะพ้นทุกข์จริงๆก็ต้องเลือกอารมณ์บบบนี้เนี่ยอืภาวนาะทําใจสงบลงไปแล้วก็ เ, เมื่อ ใจมันยึดอะไรไว้ความชั่วอะไรไว้มันก็โผล่ออกมาให้เห็นเมื่อโผล่มาแล้วก็กําหนดละมันเลยรู้แน่ว่าเปนความชั่วกําหนดละมันไปไม่ส่งเสริมมันเมื่อจิตไม่ส่งเสริมมันแล้วมันก็ดับไปเองมันก็ดับไปอเชื่อสายแห่งบาปกรรมมันนั่นนะมมันเป็นอย่างไ น, นบุญกุศลที่เราทํา เราพิจารณาสังขาร น, นามลูกให้เห็นเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาเข้าไปจิตใจรู้แจ้งไม่ถือมัน่นในสำคัญนะมีตัวมีตอนอยู่ทำจิตให้รู้อย่างนี้เสมอสม อ, อยู่อันนี้เป็นบุญกุศลอย่างสูงใกล้ต่อทางคนทุกข์ ถ้าผูใ้ใดรักษาความเห็นเหล่านี้นะไว้ในใจใ้บ่อยๆเสมอแล้วก็เชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานไปโดยลำดับดังแสดงมา